บันี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปหลักที่ทรงสอนให้ตามดูจิตของตนในจิตตานปัศ น, นาสติปัฏฐานนั้นเป็นการสอนให้ดูจิตใน3ระดับหรือสามภูมิด้วยกันคือจิตที่เป็นกามาวจรภูมิ ยังท่องเที่ยวอยู่ในกามอาจจะเป็นกุศลหรือกุศลก็ได้จิตที่เป็นรูปาวัจรภูมคือจิตระดับที่ได้บรรลุรูปะชานขึ้นไปซึ่งเป็นกุศลโดยส่วนเดียวและอรูปาวัจระูมเลยกจิตที่เข้าถึงอรูปิชานดังนั้นในตอนต่อไปจึงส่งสอนให้ดูจิตอีกคู่หนึ่งที่ใช้คํบลีว่า สมาฮิตจิตกับอสมาฮิตจิตสมาฮิตะคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวอาการของสมาธินั้นคือจิตที่สงบนิวรธรรมทั้งหลายลงไปได้บางครั้งก็เป็นความสงบที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งแต่บางครั้งความสงบ เพเพิ่มพูนมากจริงขึ้นในขณะที่ปฏิบัติบาเพ็ญสมถะกรรมฐานอยู่นั้นเราทรงสอนให้บุคคลเพ่งพิจารณาดูจิตของตนว่าเป็นสมาธิหรือว่าไม่เป็นสมาธิก้อยรู้ตามความเป็นจริงเหล่านั้นอาการของสมาธิจิตนั้นเกิดขึ้น ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักของสมรรถกรรมฐานก็มีแต่บางขณะบางโอกาสแม้อยู่ในยาบทปกติเมื่อจิตไม่ขุนมัวเศร้าหมองด้วยเรื่องอืน่นสงบอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ก็เป็นอาการของสมาธิระดับหนึ่งที่มีการพูดกันว่าอ่านหนังสื อ, อยังมีสมาธิตำงานอย่างมีสมาธิ หรือปฏิบัติภารกิจต่างๆอย่างมีสมาธิแต่สมาธิในชั้นนั้นก็คงดำรงอยู่ไม่ได้นานจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเนื่องจากความเสพคุ้นความคุ้นเคยของจิตมักจะหักเห อ, ออกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่ปรารถนาหน้าพอใจกับอารมณ์ที่ไม่น่าใครไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจ แต่เมื่อมีการประพฤติปฏิบัติอยู่นั้นถ้าหากว่าดําเนินไปถูกต้องบุคคลสามารถตัดเครื่องกังวลใจทั้งในส่วนอดีตและส่วนอนาคตลงไปได้กาหนดสติระลึกอยู่ในอารมณ์เป็นเครื่องกาหนดระลึกซึ่งเกิดขึ้นตามความพอใจตามความสบายของบุคคลเหล่านั้นความสงบจะบังเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งที่เรียกว่า คณิกาสมาธิคำว่าคณิกะสมาธินั้นพึงเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นพระพุทธธรรรัสโดยตรงแต่เป็นเรื่องประจานในรุ่นหลังแต่ได้กําหนดดูเอาว่าเมื่อการของสมาธิได้แก่ความตั้งมั่นแห่งจิตดังกล่าวแล้วในความตั้งมั่นที่เกิดขึ้นชั่วขณะก็ถือได้ว่าเป็นสมาธิระดับหนึ่งขณะหนึ่ง จึงเรียกจิตในลักษณะนั้นว่าเป็นคณิกาสมาธิตลอดระยะเวลาแห่งการประพฤติปฏิบัติทำความสงบใจข้างตนนั้นผู้ปฏิบัติจะกาหนดสังเกตได้โดยตนเองว่าบางครั้งที่ลงมือประพฤติปฏิบัติแม้แต่ความสงบที่เกิดขึ้นเพียงขนาดเดียวก็ไม่ปรากฏแต่นั้นยามใดก็ตามที่ความสงบเกิดขึ้น ก็พึงเข้าใจว่าเวลานี้ขณะนี้จะมากหรือน้อยนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจิตของตนได้เป็นสมาธิแต่ถ้าทำนองตรงกันข้ามคือจิตยังวิ่งยังสายไปในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะตกไปในอารมณ์ที่สงใชัยคำอาลัยคือกามาคุณก็ตามหรือตกไปในแผลใจคือพยาบาทก็ตาม ก็รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นจิตไม่เป็นสมาธิซึ่งจะต้องพยายามปฏิบัติต่อไปแต่การพยายามปฏิบัติต่อไปนั้นเนื่องจากเป็นการกำหนดดูจิตในสามภูมิดังกล่าวแล้วยังมีหนทางที่จะต้องเดินต่อไปอีกยาวน้นในส่วนของความสงบหรือส่วนของความไม่สงบก็เป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติต่อไปทั้งนั้น สมาธิอีกชั้นหนึ่งที่ทรงแสดงว่าอุปจารสมาธิคือสภาพจิตที่ยังลงสู่ความสงบเพิ่มพูนช่วงระยะเวลาความสงบสูงขึ้นอาจจะได้ใ น, นหลายนาทีเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างแรงสำหรับจิตของปุถุชนทั้งหลายประตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลจะดิ้นดังที่ทราบกัน ถึงเมื่จิตไม่ดิน้นอยู่สงบได้ในอารมณ์ของกรรมฐานเช่นกำหนดภาวนาพระพุทธโธจิตก็ระลึกอยู่ที่ตัวพุทธโธกำหนดดูจุดที่ลมกระทบจิตก็อยู่ที่จุดซึ่งลมกระทบกำหนดเจริญเมตตาภาวนาในสัตว์ทั้งหลายจิตก็อยู่ด้วยเมตตาภาวนาหรือแม้แต่อารมณ์ของกรรมฐานข้ออื่นจิตก็อยู่กับเรื่องแบบนั้น ไม่ได้คิดไปในอารมณ์ภายนอกจากเครื่องกำหนดระลึกของตนและสงบอยู่ในอารมณ์นั้นได้ทิ้งช่วงออกไปก็เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิแต่การกำหนดสังเกตจิตระดับนี้ข้อที่ควรสาเน็จระลึกไว้อีกประการหนึ่งก็คือลักษณะที่ท่านเรียกว่าความเครื่องหลับว่าการเครื่องหลับของจิตนั้น เป็นการตัดกังวลทั้งส่วนอนดีตอนาคตเช่นเดียวกันแต่ความเคลิมหลับถึงจุดหนึ่งจะไม่รู้อะไรเช่นเดียวกับการหลับในชีวิตประจำวันแต่ส่วนของสมาธินั้นจิตจะรู้อารมณ์คือตัวความสงบมองเห็นจิตของตนรู้ความรู้สึกนึกคิดของตนในขณะนั้นๆแล้วเมื่อเพียนพยายามปฏิบัติสืบไป จิตก็จะตั้งมั่นมากยิ่งขึ้นที่ทรงใช้คำมารีว่าอัปปนาสมาธิคือเป็นความสงบจิตแน่วแน่ไม่หวั่นไหวปริมาณของสมาธิที่สูงขึ้นเข้ม้นมากยิ่งขึ้นนั้นผู้ปฏิบัติสามารถมองเห็นความแตกต่างของจิตสองชั้นนี้จิตชั้นแรกหรือจิตชั้นที่สองที่กล่าวมานั้น ถ้าความีสิ่งมากระทบจากข้างนอกแม้เพียงเบาๆจิตก็จะพลากจากสมาธิคือฟุ้งต่อไปวิ่งออกไปรับอารมณ์เหล่านั้นแต่อัปนาสมาธินั้นจะต้องมีการกระแทกแก่งพอสมควรจิตจึงจะพลากจากสมาธิเพราะความดิ่งลงของจิตที่อยู่กับความสงบเป็นความสงบที่ ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความคิดนึกอะไรยังมีความนึกความคิดอยู่เป็นปกติ เ, เป็นลักษณะอาการของจิตแต่การกาหนดสังเกตพินิจพิจารณานั้นก็ให้ดูที่ความคิดความนึกของตนว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลต้าหากว่าความนึกคิดเป็นอกุศลเช่นจากตัวอย่างที่ยกมาแล้วว่าเป็นอาการเคลมหลับ กับสมาธิตอนเครื่อนเข้าไปนั้นใกล้กันความเครื่อนหลับบางครั้งก็ฝันแม้นั่งสมาธิก็อาจจะฝันได้แต่ความฝันที่บังเกิดขึ้นนั้นจะมีลักษณะสับสนเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างซึงก็เป็นข้อสังเกต พ, พิจิพิจารณาอีกได้อีกชั้นหนึ่งถึงความแตกต่างระหว่างสมาธิกับอาการเครื่อนหลับของจิตใจ ส่วนสมาธิความนึกคิดจะเป็นกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจะอยู่กับอารมณ์ที่กําหนดระลึกนั่นเองเป็นความสงบแน่แน่ดิ่งลงในที่นั้นแมการคิดก็จะคิดถึงเรื่องเหล่านั้นในขณะเดียวกันสภาพจิตของผู้ปฏิบัติก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นความอึดอิ่มด้วยประการต่างๆปรากฏทั้งแก่ร่างกายและแก่จิตใจของผู้ปฏิบัติ บางครั้งก็อาจจะเกิดนิมิตคือภาพที่ปรากฏกระจายขึ้นตัวเองในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนิมิตของสมาธิจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติสายสมถะะกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออนาปานสตินั้นไม่มีการกำหนดตายตัวลงไปว่าจะออกมาในรูปลักษณะอย่างใดเพราะขึ้นอยู่กับพื้นเพทางวาสนาปรมีของบุคคลเหล่านั้นที่ไม่เหมือนกัน ไม่สามารถที่จะอธิบายกันได้ว่าจะต้องเกิดมาอย่างนั้นจะต้องเกิดมาอย่างนี้แต่ข้อที่เป็นกำหนดเป็นการตายตัวลงไปก็คือว่าสิ่งที่เกิดมานั้นจะไม่สร้างความสะดุ้งความตกใจให้เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นแต่อาจจะก่อให้เกิดความเพลิดเพลินความยินดีได้เพราะนิมิตที่ปรากฏมีความสวยงามมีความประณีตผันจงความสุขจะแผ่ไป ทางกายและจิตของบุคคลสมาธิก็จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นไปในทํานองตรงกันข้ามก็ใรู้ว่าในขณะนั้นจิตของตนไม่เป็นสมาธิเพราะนความหักเกทางจิตจึงเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดระยะเวลาเกือทั้งสองทางอาจจะสงบบ้างไม่สงบบ้างสงบชิงช่วงนานขึ้นหรือไม่สงบทิ้งช่วงนานขึ้น ด้วยความสงบที่เป็นอปปนาสมาธิหรือไม่สงบเลยนี่ก็เป็นอาการจงกันค้า <c oughs> ที่ปรากฏเกิดขึ้นกระจายของบุคคลได้ทุกครั้งที่มีการประพฤติปฏิบัติถ้าจิตยังวิ่งกลับไปกลับมาอยู่ในลักษณะนี้ <c oughs> ก็แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาตำนองเดียวกับรถที่วิ่งสายไปก็เป็นรถที่มีปัญหา จึงผู้ขับรถจะต้องพยายามแก้ไขให้รถแล่นไปในทางที่จะให้เกิดความสวัสดีแก่ตนหลักในการปฏิบัตินั้นในกรณีที่เป็นพุทธวิธีคือวิธีของพระพุทธเจ้าเองที่ทรงใช้แก้ไขเมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายในพระทัยของพระองค์ในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้สัต ร, สรุนั้น ในรับทางลวาวาเมื่อจิตหักไปหักมาอยู่เช่นนี้คือสงบบ้างไม่สงบบ้างสงบเพิ่มขึ้นบ้างไม่สงบเพิ่มขึ้นบ้างหรือสงบทิ้งการยาวนานบ้างไม่สงบทิ้งการยาวนานบ้างคือสรุปว่าเป็นสมาหิตจิตและอาสมาฮิตจิตคือเป็นสมาธิและไม่เป็นสมาธิหรือตั้งมันและไม่ตั้งมันอันมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป องจะวิเคราะห์พระไตยอย่างชัดเจนในแต่ละขณะว่าในขณะนั้นๆพระไตยของพระองค์เป็นอย่างไรเมื่อเกิดรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็จะถามใจตัวเองว่าทําไมจึงไม่สงบก็จะสืบสาวไปถึงต้นตอของความไม่สงบปัปใจจัยให้เกิดความไม่สงบนั้นย่อมจะมีแตกต่างกันอาจจะเกิดจากปริโพศ จิตยังไปกังวลห่วงใยซึ่งเรื่องต่างๆที่เป็นอนดีตอาจจะเป็นการงานญาติพี่น้องโรคภายค่าเจ็บหรือการติดต่อต ล, ลอดถึงบ้านเรือนเครื่องชายไม่สอยเป็นต้นก็แล้ว แ, แต่จะเด่นึกเอาบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของการสายไปของจิตที่มุ่งมา่ปรารถนาถึงสิ่งต่างๆอันตนต้องการจะให้เกิดขึ้นและไม่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในอนาคต แต่ ก, การคาดหมายอารมณ์ดรวยการกำหนดอารมณ์ในอนาคตนี่ก็เป็นลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าปริพเทืคือเครื่องทาใจเกิดความกังวลแต่บางครั้งบางคราวอาจจะเกิดขึ้นด้วยอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนั่นเองเช่นความหวาดกลัว <c oughs> ต่อความสงบห ร, หรือว่าหรือหาดกลัวต่อสิ่งแวดล้อมที่ตนเกี่ยวข้องอยู่ในขณะนั้ น, น, น แต่บางครั้งบางคราวก็เกิดขึ้นมาจากการไม่เห็นโทษอย่างแท้จริงของความไม่สงบแผงจิตใจจะเป็นกรณีอะไรก็ตามก็จะวิเคราะห์เจาะลึกไปในจุดนั้ น, นในกรณีของการไม่เห็นโทษของความไม่สงบก็พยายามศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคลต่างๆและสิ่งที่เเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของตนเอง อังก็เกิดผลเป็นความเดือดร้อนแก่ตนว่าต้นตอที่มาของความทุกข์ความเดือดร้อนเหล่านั้นเกิดขึ้นจากจิตใจที่ไม่สงบเกิดมาการต้องเบียดเบียนประทุษรายกันมีการด่าทอมีการวิวาทกันตลอดถึงมีความสูญเสียในลักษณะต่างๆแต่บางครั้งบางคราวก็มีคนล้มหายตายจากกันไปรพระพรากจากกันไป ผลเหล่านั้นเป็นผลที่สร้างความพิบัติเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่โลกแก่ชีวิตทั้งหลายตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็ตั้งปัญหาถามลงไปว่าอะไรคือต้นตอสาเหตุที่แท้จริงที่สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมอันรุนแรงหรือโหดในลักษณะนั้นก็นจะมองเห็นตัวเหตุที่แท้จริงว่าเกิดขึ้นจาก ที่ไม่สามารถซึ้งงบความรู้สึกนึกคิดที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสนั่นเองและในที่สุดก็นําเรื่องเหล่านั้นมาหนีบนึกมาจึกนึกจะเป็นด้วยความคล่ายความปรารถนาความพอใจหรือความไม่พอใจก็ตามเมื่อเนีย่ยเนี่ยนึกขึ้นมาบ่อยๆปรุงคิดบ่อยๆคิดปรุงกันบ่อยปริบัติของสิ่งเหล่านั้นก็เพิ่มขึ้นมีความรุนแรงมากิ่งยิ่งขึ้น ทำปฏิกิริยาต่อจิตสร้างความร่าวร้อนให้เกิดจิตก็กลายเป็นนิวรณ์ถ้ายังคุมไว้ไม่ได้ความรุนแรงยังเกิดขึ้นก็ออกมาเป็นโทษที่บุคคลจะต้องทำผิดทางทางตายแมะทางวา จ, จา ก, ก็กลายเป็นการผิดศีลไปเ <c oughs> <c oughs> มื่อมองเห็นโทษที่เป็นกระบวนการได้เช่นนี้ <c oughs> ก็จะพยายามส ง, งบระงับความคิดเหล่านั้นออกไป อย่างน้อยที่สุดก็ในขณะนั้นในขณะที่นั่งทําจิตใจของตนให้สงบจุแล้ในขณะเดียวกันเรื่องของผลอานิสงค์แข่งสมาธิที่ไม่เกิดสมาธินั้นอาจจะเพราะตนเองไม่เห็นผลอานิสงค์ของความสงบก็ได้อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุผลกล่าวแล้วก็ได้แล้ในกรณีของการไม่เห็นผลไม่เห็นอนิสงค์ ซึ่งก็เคยเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนกันในการประพฤติปฏิบัติสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในรับสั่งล่าว่าเมื่อจิตใจของพระองค์เกิดเป็นเช่นนั้นขึ้นมาพระเจ้าพระองค์จะต้องมองฝ่ายโทษในเห็นว่าเป็นโทษที่สรงใช้สานวนภาษามาลีว่ามองเห็นโทษโดยความเป็นโทษทํานองเดียวกับมองเห็นไฟว่าเป็นไฟ มองเห็นยาพิษว่าเป็นยาพิษมองเห็นสิ่งสกรปรกว่าเป็นสิ่งสกรปรกทำไมจึงต้องมองกันสองชั้นอย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นโดยสภาพมันก็เป็นอย่างนั้นเองไฟมีสภาพร้อนสิ่งสกรปรกมีสภาพสกรปรกยาพิษมีสภาพเป็นยาพิษคือทำลายร้าง จะมีคนเป็นจํานวนไม่น้อยที่ไม่มองเห็นตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นจึงถูกไฟลวกถูกยาพิษทําลายแอบบเปื้อนหรือคนโตระสิ่งโสกปลวกอึกการมองจึงต้องมองเห็นสองชั้นดังกล่าวคือมองเห็นตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นและเป็นความรู้ความเห็นที่คัดถึงใจว่าไฟก็คือไฟยาพิษก็คือยาพิษสิ่งสกปรกก็คือสิ่งสกปรก เป็นไปโดยสภาพของมันเองเมื่อบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ก็ก่อให้เกิดความรับร้อนอันตรายได้เกิดแปดเปือ้อนด้วยใกล้ๆกมองเห็นสีดําเป็นสีดําสีดํานั้นเป็นสภาพของมันแต่บุคคลจะต้องรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสีดําถ้าไปแปดเปื้อนอะไรเข้าก็จะทําให้สิ่งนั้นดําด้วยและพยายามสํารวมระวังไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องไอ้ความดําก็จะไม่เกิดขึ้นแก่ตน จะเสื้อผ้าของตนกับเครื่องใช้ไม่สอยของตนในด้านจิตใจก็มีลักษณะอย่างนั้นพอมาถึงชั้นของสมาธิในชั้นของความดีก็ทรงมองเห็นว่าความดีโดยความเป็นความดีทานองเดียวกับมองเห็นอาหารว่าเป็นอาหารมองเห็นสิ่งบำรุงร่างกายว่าเป็นสิ่งบำรุงร่างกายมองเห็นสีขาวโดยความเป็นสีขาว สิ่งเหล่านั้นโดยสภาพแกก็เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเรามองเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นรับประทานอาหารร่างกายก็มีที่แรงเอาสีขาวไม้ใช้ก็ทําให้สิ่งนั้นๆเสื้อผ้าเป็นต้นตลอดถึงวยวะร่างกายของตนขาวไปด้วยการมองให้เห็นผลอายสงของความสงบอาจจะมองมาจากหยาบสุดเพื่อเห็นได้ง่ายหมายถึงการเหนี่ยวนึกการน้อมนึก ถึงพฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตทั้งของตนและของบุคคลอื่นที่มีลักษณะเป็นผลเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่นเป็นการที่บุคคลสามารถมีความเพื่เพื่อเผาแผ่กันช่วยเหลือกันด้วจากอดทนรู้จักให้อภัยมีความเมตตากรุณาต่อกันจะแสดงออกซึ่งความมีมิตรในตรีระว่างกาันและการเป็นตนนั้นนั่นคือพฤติกรรมที่ปรากฏออกมาทางกายบ้าง ทางวาจาบ้างมองย้อนกลับไปสู่ถึงสายเหตุที่แท้จริงอันให้เกิดผลในลักษณะนั้นบุคคลก็จะสืบสาวไปได้ถึงสังกปะคือความดำดิง่งพอพฤติกรรมที่สดแสดงออกมานั้นเนื่องจากพิตกวิจารณ์คือความนึกคิดเป็นวัจีสังขารคือปรุงแต่งวาจา และความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางกายความนึกคิดของคนจึงเป็นตัวกาหนดบทบาทให้การเกระทำเป็นไปเพื่อเกือกูลอำนวยความสุขกแก่บุคคลอื่นได้ตนเองซึ่งแสดงเห็นว่าคนที่ทำความดีเช่นนั้นได้จะต้องเกิดขึ้นมาจากความคิดที่ไม่มีลักษณะกำหนัดย้อมใจมากเกินไปมีความเมตตาความเกื้อกูลแก่บุคคลอื่น ประกอบด้วยความกรุณาปัญญาเป็นหลักในการดำารงชีวิตแต่มองกลับไปดูที่ตัวของความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นที่ท่านใช้กัาเจตสิกได้แก่ความคลายกำหนัดความเมตตากรุณ า, า, มมาก็จะเห็นว่านั้นก็คือเกิดมาจากกุศลธรรมมองเห็นคุณความดีของกุศลธรรมเหล่านั้น และพยายามปลุกฝังความพอใจความยินดีนในกุศลนธรรมเปลียนพยายามเพิ่มพูนขึ้นเมื่อพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นความดำรินึกคิดของตนก็ จ, นจะเดินไปในคานลองของกุศลนธรรมพอมาถึงช่วงของความนึกคิดประหักออกเป็นกุศลนธรรมได้แล้วก็กลายเป็นความสงบขึ้นมาแต่การมองในแนวนี้ศาสตร์ใดยังมีการประพฤติปฏิบัติกันอยู่ ต้องมองให้เห็นโดยลำดับไปเรื่อยๆไม่ว่าจะพบจะเห็นอะไรก็าตามที่เป็นพฤติกรรมของบุคคลภายในสังคมจะต้องมองให้เห็นสิ่งที่เป็นโทษโดยความเป็นโทษสิ่งที่เป็นคุณโดยความเป็นคุณอยู่ตลอดจะตั้งปัญหาถามว่ามองไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจะเป็นการเกื้อกูลแก่จิตใจของตนเอง เป็นการเก็บการสะสมคุณธรรมความดีเอาไว้ภายในจิตใจให้มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเวลาไปบำเพ็ญเพียรเพื่อทำความสงบความสงบก็จะฟังเกิดขึ้นได้ง่ายพยายามใดก็ตามที่จิตแวบออกไปในทางที่เป็นอกุศลสติระลึกก็จะระลึกรู้ทันในขณะนั้นวันนี้เป็นอกุศล จะเดียวกับการที่บุคคลมองเห็นโทษของไฟดังกล่าวในตอนต้นไปตักแจ้งแก่ใจเวลาใกล้ไฟก็ระมัดระวังบางครั้งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปถูกกับเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองจะกระตุกปรับได้ในทันทีอาการเคลื่อนไหวทางกายทางวิชาของบุคคลที่มองเห็นโทษของอกุศลมองเห็นผลของกุศลจะมีการปรับตัวเองได้โดยอัตโนมัติสันใด พอมาถึงสภาพจิตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นจิตหักไปในอกุศลตอนใดก็จะตีกลับมาได้ในั้นทีอาจจะเกิดความไม่สงบแต่ปริมาณของความไม่สงบจะน้อยลงน้อยลงซึ่งก็หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้อีกฝ่ายหนึ่งคือสมัยิตาจิตได้แก่จิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็จะเพิ่มขึ้นความสงบน้อยลงความไม่สงบเพิ่มขึ้น ความนึกคิดของบุคคลก็ไปมองที่คุณที่อานิสง์ของความสงบและมองเห็นโทษของความไม่สงบอยู่เรื่อยๆปริมาณของปัญญาที่ใช้ไปในสองทางคือ ท, ทางมองโทษและมองประโยชน์มองคุณก็จะเพิ่มปุนขึ้นภายในจิตใจของตนเองในที่สุดแม้การในชีวิตประจําวันของตน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปแบบของสมาธิอะไรก็ได้เวลาประสบอารมณ์ที่จะเป็นเชื้อของสายความไม่สงบสติก็จะระลึกรู้ทันในขณะนั้นตัดกระแสอารมณ์จะได้ในขณะนั้นเวลาประสบอารมณ์ที่เป็นการเพิ่มพูนสร้างเหตุปัจจัยของความสงบสติก็จะระ ล, ลึกรู้ทันอารมณ์ในขณะนั้น แเลียนปรยาเพิ่มพูดให้มา ก, มากขึ้นในจิตใจของตนการปฏิบัติในลักษณะนี้เจอพบว่าช่วงหนึ่งก็คือรูปแบบของสมาธิอีกช่วงหนึ่งคือการสร้างเหตุปัจจัยในชีวิตประจำวันของตนเองนั่นเองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพิธีรีตองต่างๆเพราะตัวการสำคัญในการประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อยู่ในเรื่องอะไร ว่าการกระทําอะไรก็ตามเวลาการและวิธีการอะไรก็ตามที่บรรลุปเป้าหมายได้หรือเป็นการสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เกิดใกล้เคียงต่อเป้าหมายเหล่านั้นได้การกระทํำแบะนั้นก็เป็นกุศลจะในการบําเพ็ญเพียรทางจิตไม่ว่าจะส่วนใดของสติปัฏฐานก็ตามมีเป้าหมายอยู่ที่การสงบนิวรณ์การกระทําอะไร ก็ได้ที่เป็นการสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เกิดสงบนิพพานได้การกระทานั้นก็เป็นการควรกระทําก็อยู่ในกลุ่มของอริยมรรคมีองค์แปดประการที่สงใชก้กำว่าพาเวตาประธรรมกระทำที่บุคคลจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติกระทาให้มีให้เป็นขึ้นในชีวิตจิตใจของตนเองการดูจิตในลักษณะนี้ ไม่ใช่ดูด้วยสติเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องอาศัยธรรมะอีกสองประการคือความเพียรและปัญญาเข้ากำกับไปด้วยไปเพราะบางครั้งบางคราวตัวที่เป็นความสงบนั่นเองอาจจะไม่สงบก็ได้หรือเป็นความสงบจะมีความเพลิดเพลินความติดอยู่ก็ได้เช่นว่าพอได้สมาธิหรอเห็นนิมิตก็เพลิอนอยู่ในนิมิตนั่นก็เป็นลักษณะของกรรมฉันด่าง อ, อ่ อ, อน หมาถึงก็เสียแทงรุนแรงอะไรมากนักแต่บุคคลเพิ่เข้าใจว่าเบื้องหลังของความเพลิดเพลินในความสงบในขณะที่ตอนอยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางนั้นเป็นอัศมัยแต่จิตคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นอย่างแท้จริงความละเมิดละไมของธรรมะปริมาณของธรรมะเมื่อถึงชั้นนี้จําเป็นจะต้องเพิ่มขึ้นเพื่อสามารถลึกรู้ทันและตัดสินอารมณ์เหล่านั้นได้อย่างแท้จริง ผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัติต่อแต่นี้ไปเราขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป